เชา้าอาจารย์สุรินได้พูดถึงพระกุมารากัสปะซึ่งเป็นพระรหันต์แล้วก็ท่านมีความปรารถนาดีนะกับโยมแม่ซึ่งเป็นพิสุตีิทั้งสองคนนี่ก็เรียกว่าพรากกันพรากจากกันตั้งแต่พระกุมารากัสปะยังเล็กพ ร, พระเจ้าปเสนที่ก่อสนก็รับไปเลี้ยง ตลอดเวลา2ีกว่าปีแม่ของท่านพระกุมรารกัสสะก็มีความระลึกถึงลูกชายไม่ได้พบหน้ากันเลยแม้ว่าจะได้ข่าวว่าพระกุมรารกัสสะบวชก็ไม่ได้พบหน้ากันก็แต่มไม่ได้ความคิดถึงจนกระทั่งได้มาเจอพระกุมรารกัสสะบน ถนนด้วยความบังเอิญก็ดีใจมากพร้กุมารกัษปะท่านรู้ว่าถ้าโยมแม่นี่ยังมีความห่วงหาอะไรในลูกชายก็คงจะไม่มีทางที่จะก้าวหน้าในการปฏิบัติได้ก็เลยพูดด้วยท้อยคำที่รุนแรงต่อว่าแม่ว่าเนี่ย มาทำอะไรอยู่ยังไม่รู้จักตัดใจแม่นี่ก็คิดมาตลอดว่าลูกเนี่ยจะห่วงจะนึกถึงแม่แต่พอลูกพูดแบบนี้เข้าก็เสียใจผิดหวังว่าลูกนี่ไม่มีเยื่อใยกับแม่เลยเสียใจมากแต่ก็ทำให้ตัดใจได้แล้วก็ทำให้หันมาบาเพ็ญเพียร จนกระทั่งได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เรียกว่าทั้งแม่ทั้งลูกนะได้บรรลุธรรมได้ที่แรกแม่เป็นผู้ให้กําเนิดลูกคือพระกุมารกัสปะแต่ว่าในที่สุดนะพระกุมารกัสปะนี่แหละหนะ้าที่ทําให้แม่นี้ได้พบพระธรรมโดยที่ตัวเองอาจจะไม่รู้นะว่าอันนี้เป็นอุบาย ของลูกชายที่จะให้แม่นี้ได้หันมาสนใจการปฏิบัติอย่างจริงจังซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องตัดใจนะตัดใจเรื่องลูกซะก่อนอความทุกข์นี้ความผิดหวังความเสียใจมันมีประโยชน์นะเพราะว่ามันเป็นแรงผลักที่ทำให้ที่สุนีท่านนี้นะหันมาภาคเพียรในการปฏิบัตินะ หมดความห่วงหาอะไรในลูกชายต่อไปเรื่องการบรรลุธรรมเพราะว่าเจอความทุกข์เป็นตัวผลักนี่มีเยอะนะในพระไตรปิฎกที่น่าสนใจอันหนึ่งก็คือเรื่องของพระชันะนะชนะนี่เดิมเป็นก็เป็นมหาเล็กนะที่เป็นสหาชาติกับพระพุทธเจ้าสหาชาติคือเกิดวันเดียวกันปีเดียวกันตอนที่พระพุทธเจ้าหรือเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเสด็จออกมาอภิเษกสมม ก็มีชันน่เนี่ยกับม้ากันตกะเนี่ยออกจากวังไปด้วยกันและเมื่อพระเจ้ า, าได้เสด็จกลับกรุงกบิลพัทเนี่ชันน่านี่ก็บวชพร้อมกับพระญาติจํานวนมากรวมทั้งพระอานนท์พระเทวทัตนพระปฏิยะพระอนุรุทธส่วนใหญ่ทุกท่านที่กล่าวมาแล้วก็บรรลุธรรมเป็นพระอระหันต์ในเวลาไม่นานยกเว้นพระเทวทัต ส่วนพระชั้นนั้นนี่ก็ร้ายไม่เบานะเพราะว่าเห็นว่าตัวเนี้ยเป็นคนสนิทของพระพุทธเจ้ารูนะ้จับพระพุทธเจ้าตั้งแต่ยังเล็กนะตั้งแต่เป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะก็ถือตัวไม่ฟังคําแนะนําสั่งสอนของพระที่มีอาวุโสมากกว่านะถือตัวเป็นคนใกล้ชิดพระพุทธเจ้าจนกระทั่งถูกพระ เ, เจ้า ลงโทษก็หลายครั้งเพราะว่าดื้อดนะึงทำผิดพาวินไหนบางครั้งก็ถูกห้ามไม่ให้ให้ันกับพระด้วยกันเรียกว่าโดนโทษโอุเคปนิยกรรมก็เป็นโทษชนิดหนึ่งนะแม้ขะนั้นพระันะกก็ไม่สำนึกนะสำนึกชั่วคราวแล้วก็กลับมามีพฤติกรรมแบบเดิม พระพุทธเจ้านี่ปรับอาบัตหลายครั้งก็ไม่ได้ผลนะจนกระทั่งก่อนที่พระพุทธเจ้านี่จะปรินิพพานนี่พระชนน์นี่ก็กล่าวจวงจากพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระพุทธเจ้าก็เลยฝากฝังพระอนอนน์ว่าเมื่อพระองค์ปรินิพพานแล้วขอให้สงเนี่ยลงพรหมทันลงพรหมทันพระชันนะพอพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็พระอนอนน์ก็ทําตาม อันนี้เป็นคำสั่งสุดท้ายคำถังท้ายๆในของพระพุทธเจ้าให้หลวงพรมทัทพระชันนะพระนรานทรก็เดินทางไปยังเมืองโกสัมพีโกสัมพีนี่เป็นเมืองที่มีพระเด็ดๆ เ, เยอะนะไปถึงก็ไปหาพระช น, นะรู้จักกันมาตั้งแต่ตั้งแต่เล็กแล้วนะ2ท่านเนี่ยแล้วก็ถึงตอนนั้นก็อายุ80กันทั้งคู่ แต่พระชันนานี่ก็ยังยังไม่มีไม่มีความที่จะรู้สึกสำนึกผิดเลยพระอนวนก็บอกว่าเนี่ยสงลงพรหมทันแล้วพระชันน่าถามว่าพรหมทันคืออะไรว่าอ น, นุนก็ตอบว่าเนี่ยก็คือพาทั้งหลายทั้งสงทั้งคณะที่ไม่ไม่พูดไม่คุยไม่แนะนำสั่งสอนก็เียว่าเหมือนกับภาษาสมัยใหม่เรียกว่าบอยคอร บ่อยคอคือความบาทแต่ความบาทปกติใช้กับคราสนะพระใช้คารวาสแต่เดี๋ยวนี้เราใช้ทั่วไปก็คือไม่คบค้าสมาคมด้วยพระฉันน้านี่เป็นลมเลยนะเพราะรู้ว่าเจอโทษนี้เป็นลมฟื้นขึ้นมาก็เป็นลมอีกสาครั้งนะล้นทั้งหดสามครั้งถึงตอนนี้แหละเริ่มสำนึกผิดแล้วแล้วก็หันมาภาคเพียในการปฏิบัติสุดท้ายก็จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ อันนี้ก็เรื่องราวคล้ายกับภิกษุณีที่เป็นมารดาของพระกุมรารกัสปะนะคือต้องเจอทุกข์นะต้องเจอสิ่งที่มากระแทกใจทําให้เกิดความทุกข์ใจทําให้เกิดความผิดหวังทําให้เกิดความรู้สึกเจ็บปวด ถ, ถึงจะหันเข้าหาธรรมะดั้ความทุกข์นี่มันมีประโยชน์นะมีพระอรหันต์หลายท่านนีท่านบรรลุธรรมแล้ก็เพราะความทุกข์ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากเจอ แต่พอเจอแล้วนี่ก็ก็สามารถที่จะหันเหไปในทางที่ถูกได้หลายท่านก็สูญเสียนะสูญเสียลูกสูญเสียคนรักอย่างนางปตาจารานะสูญเสียลูกทั้งสองสูญเสียสามีพ่อแม่ในเวลาไล่ๆกันรวมทั้งบ้านเก่าทรัพย์สมบัติของพ่อแม่ก็สูญสลายหายหมดนะจากไฟไหม้ก็เสียสติก็ว่าได้ แต่ว่าพอเจอพระเจ้าพระองค์ได้พูดจาเาพูดให้พูดเตือนสติสะกิดใจให้เห็นว่าสังขารมันเป็นทุกอย่างไรบ้างการเกิดเป็นทุกอย่างไรบ้างนะความทุกข์ก็คือความสูญเสียพัดพรากจากคนรักของรักนะน้ําตาที่เกิดจากความเศร้าโศกเสียใจชาติแล้วชาติเรานี่รวมกันแล้วนี่มันเท่าเท่ากับมหาสมุทรเลยนะ มาสมุดนี่ก็เปลี่ยนเหมือนกับน้ำตาที่หลั่งออกมาจากความเศร้าโศกเสียใจเพราะสูญเสียคนรักตรงนี้แหละที่ทำให้นางปตจรานี่เกิดปัญญาเห็นธรรมขึ้นมาคือถ้าไม่ไมเจ็บไม่ปวดไ ม, ไม่เจอความผัดพลาดสูญเสียก็คงจะไม่ซึง้งถึงความจริงข้อนี้นางกิสาก็เตอมีก็เช่นเดียวกันเสียแค่เสียคนเดียวแต่ว่าก็เสียสูญไปเลย ลูกกำลังน่ารักนะต้องมาตายอย่างปัจจุบันทันด่วนทำใจไม่ได้อุ่มศพลูกไปให้ใครช่วยก็ไม่มีใครช่วยได้ก็คงมีแต่พระเจ้าเรื่องนี้สรุปง่ายๆนะตัดให้สั้นลงก็คือว่าในที่สุดนะพรเจ้าก็ได้พูดสอนให้นางไดตนักว่าเนี่ยความความตายเป็นธรรมดานะของของ ของชีวิตนะถ้าไปยึดติดถือมั่นในใครก็ตามนี่ก็จะถูกความตายนี่มันท่วมทับเอาท่านก็เปรียบเหมือนกับว่าน้ำป่าย่อมพัดพาผู้ที่หลับไหลพัดพาเอาชีวิตของผู้ที่หลับไหลชั้นใดนะพ ย, ยาม จ, จุราก็พัดพาผู้ที่หลงไหลในลูกในคนรักในทรัพย์สมบัติชั้นนั้นนางกิสาโคตมีก็บรรลุธรรมเลยคือถ้าเราแค่ฟัง โดยที่ไม่ได้ประสบความสูญเสียก็อาจจะไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าคนที่ได้ประสบความสูญเสียมาเนี่ยพอได้พอได้ฟังทมแค่นี้ก็เหมือนกับว่าสะกิดเอาผงนะจากในตาออกไปก็ทำให้ตาสว่างขึ้นเกิดปัญญาบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเช่นเดียวกันอันนี้เรียกว่าเจอทุกข์นะถึงพบธรรมะ ประว่าพบ ธ, ธรรมะโดยแบบสบายๆนี่ก็มีนะแต่น้อยนะอย่างปัญจวัคคีนะท่านก็ได้บรรลุธรรมเพียงแค่ฟังธรรมนะดูบรรพ์นเนี่ยพญส ก, กุลบุตรเนี่ยก็บรรลุธรรมได้ง่ายเหมือนกันเพราะเพียงแค่ฟังธรรมสองครั้งก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นะแต่จริงแล้วพรญสกุลบุตรนี่ก็เจอทุกเหมือนกันนะ ก็คือเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความเบื่อหน่ายในในชีวิตของตนแม้ว่าจะพังพร้อมบริบูรณ์ได้วัตถุนะรวมทั้งความสุขความเพลิดเพลินในทางการแต่ก็เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาโดยเพราะนะตอนสุดท้ายก็คือตอนที่ได้เห็นนางสนมกำนันหญิงรับใช้นี่นอนตายกันที่เคยเห็นสวยงามในเวลาไร้รำ ขับกล่อมดนตรีแต่พอนอนหลับแล้วอนอนกายกันนะในพระไตรปิฎกก็ว่าเหมือนกันบซากศพเลยนะคือนอนกายกันไม่เป็นระเบียบบางคนก็น้ํำลายยืดบางคนก็อทําท่านี่ดูไม่นั่งไม่งดงามเท่าไหร่ท่านจะสกุลบุตก็รู้สึกเลยนะว่าโอมเบื่อเดินออกจากบ้านไปเลยนะที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอ วนไปอย่างงี้แหละแต่ว่าพอเจอพระเจ้านะที่ป่าศิปบบรปตนะเบลกัทยวันโครงสแสดงธรรมไม่นานน ะ, ะยัคสกุลบุตรก็อาทัานยัสกุลบุตรก็บรบรลุ ธ, ธร ร, รมในพระโสดาบนันนี่เพราะมีความเบือ่อความหน่ายนะความไม่สมหวังเป็นตัวผลักทันน้อยนะที่จะที่จะบรรลุธรรมได้แบบสบายๆหรือว่าแบบที่อา่ายิ่งถ้ามีความสุขความเพลิดเพลิน ในกามดูแลนี้ยากที่จะบรรลุธรรมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะเวลาเจอความทุกข์เนี่ยอย่าไปอย่าไปกลัวมันมากเกินไปเพราะว่าความทุกข์นั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่เคราะห์ก็ได้ดูเหมือนว่ามันเป็นเคราะห์แต่ว่ามันกลายเป็นโชคนะที่ทำให้เห็นธรรมขึ้นมาได้แม้กทังคนในยุคนี้นะ หลายคนก็ได้พบธรรมะก็จากความเจ็บป่วยผนะูพปาิวาตวเป็นมะเร็งผู้าฏิวาตวเป็นเอดนะก็ทำให้หันเข้าหาธรรมะหรือบางคนอย่างที่เคยเล่าเนี่ยปล่อยวางไปได้เยอะเลยนะหลังจากที่ถูกน้ำถูกผู้ชายเอาน้ำกรดสาดหน้าในขณะที่ยังสาวอยู่นะเคยภาคภูมิใจในความสวยของตัวเป็นดามหาวิเทลาย แต่พอโดนผู้ชายเอาน้ําโกรดสาดหน้าตาบอดไปข้างหนึ่งอันทีแรกก็เสียสูญ น, นะแต่ว่าตอนหลังก็ได้สติได้คิดนะบอกว่าปล่อยวางได้สามารถจะใช้ชีวิตยอย่างมีความสุขไม่รู้สึกอับอายหน้าตาที่เสียโฉมแล้วก็เจอเรื่องอย่างอื่นก็ปล่อยวางได้เพราะว่าไอ้ที่หนักกว่า น, นั้นก็คือเจอไอ้เรื่องที่การเสียโฉมนี่ก็ ปล่อยวางได้คนเราเนี่ยถ้าหากว่ายังมีความสุขสบายเนี่ยบ่อยครั้งก็เกิดความเพลิดเพลินหลงไหลนะพอเพลิดเพิลหลงไหลแล้วก็ไอการที่จะเห็นธรรมนี่ก็ยากแต่ว่าพอได้เจอความทุกขนะ์เจอความสูญเสียตาสว่างเลยเพราะว่าไอสิ่งที่มีทั้งหมดนะไม่ว่าเงินทองทรัพย์สมบัติ มันช่วยอะไรไม่ได้เลยมีหมอคนหนึ่งซึ่งมาผันตัวเป็นนักธุรกิจตั้งแต่ยังสาวมาทำธุรกิจกับสามีก็ประสบความสำเร็จพอสมควรนะรวยนะมีเงินซื้อเพชรซื้อพลอยกิจการก็ขยายใหญ่โตสินทรัพย์ก็คงเป็นร้อยล้านนะหรือหลายร้อยล้านแล้ววันหนึ่งก็พบว่าสามีเขาข อ, อย่าอายุก็ยังไม่ได้มากกันเท่าไหร่เลย30บกว่า ฝ่ายผู้หญิงนี้เสียใจมากเนะี่ยผิดหวังกลุ่มอกกลุ้มใจมันว่าตัวนี้ไม่มีอะไรเหลือเลยเป็นความรู้สึกแล้วว่าตัวเองนี้ไม่เหลืออะไรเลยฉะนั้นที่มีทรัพย์สมบัติมีเงินมีทองมีเพชรนินจินดาแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองนี้ไม่มีค่านั้นเธอเล่าว่าสมัยก่อนนี่ก่อนที่ยังประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยเวลาเอาเพชรเอาพลอยมา มาดูเนี่ยมีความสุขเห็นเพชรเห็นพลอยที่ซื้อมาเป็นเรียกเป็นสิบเม็ดเลยแต่ว่าพอเจอความทุกข์แบบนี้เจอความทุกข์เพราะสา ม, มีทิ้งเอาเพชรมาดูเนี่ยมันเหมือนก็หินธรรมดาไม่ช่วยทำให้เธอมีความสุขได้เลยถึงตอนนั้นแหละที่รู้ว่า เ, เงินทองที่หามาเนี่ยมันช่วยอะไรไม่ได้ สุดท้ายก็เพราะว่าธรรมะนี่แหละนะที่ช่วยเธอได้ช่วยทาให้พ้นจากทุกข์ได้ไม่ใช่ทำให้สามีกลับมาแต่ว่าทำให้เห็นว่าทาให้รู้จักปล่อยวางเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาบางคนก็เสียลูกลูกอยากจะไปเรียนที่อินเดียทั้งที่อายุสิบห้าแม่ก็อนุญาตให้ลูกไปเพราะว่าลูกนี่รับผิดชอบตัวเองได้ ไปอินเดียได้ไม่กี่เดือนก็ประสบอุติเหตุจมน้ําตายแม่ก็เสียใจแล้วก็โทษตัวเองนะว่าเป็นเหตุให้ลูกตายเพราะถ้าแม่แม่อ น, นุญาตให้ลูกไปลูกก็คงไม่ตายลูกก็ยังอยู่กับแม่ต่อไปโทษตัวเองนะว่าทําให้ลูกตายเสียศูนอยู่หลายเดือนทีเดียวจนกระทั่งเพื่อนแนะนําให้ลองไปปฏิบัติธรรม พอได้ปฏิบัติทําได้ฟังทำรรมากก็เข้าใจเรื่องกรรมเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมเข้าใจว่าแต่และคนมีกรรมเป็นของตัวเองก็ทําให้ยอมรับความตายของลูกได้และพอได้ปฏิบัติทําได้เจริญสติก็ได้รู้ท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นรู้ท่าทานความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้นรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางไม่ปล่อยให้มันมาทิ่มแทงใจสุดท้ายความรู้สึกผิดก็ขอจางคลายไปสิ่งที่เกิดขึ้นความสงบเย็น นะความสงบเย็นเป็นความสุขที่ไม่เคยพบมาก่อนแม้แต่ตอนที่ลูกยังอยู่ก็ไม่ไม่สุขเท่านี้เธอก็บอกว่าในขอบคุณนะขอบคุณลูกที่ทําให้แม่ได้มาพบธรรมะความตายของลูกเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากเพราะทําให้แม่ได้มาพบธรรมะได้พบกับชีวิตที่ประเสริฐนะคงมีแม่ไม่กี่คนนะที่จะพูดว่าความตายของลูกเป็นสิ่งที่คุ้มค่า แต่ว่าเธอคนนีนะ้เธอก็พูดได้เต็มปากนะเพราะว่าสิ่งที่เธอพบเนี่ยมันมันมันประเสริฐมากคือธรรมะให้ความทุกข์เนี่ยมันมันมีคุณค่านะมันมีประโยชน์มากที่สามารถจะทําให้เราเนี่ยที่สามารถผลักให้เราเนี่ยเข้าหาธรรมหรือว่าสามารถที่จะเปิดใจของเราให้เห็นธรรมะนะเห็นธรรมะจนกระทั่งรู้จักปล่อยรู้จักวางได้ พอถ้าอย่างยึดต่อไปมันก็จะทุกข์ไม่ไม่จบไม่เลิกเพราะฉะนั้นเนี่ยนักปฏิบัติธรรมเนี่ยนะที่แท้จริงเนี่ยจะไม่กลัวความทุกข์จะไม่กลัวความยากลาบากพระพระเนี่ยสมัยก่อนหรือสมัยนี้ก็ก็ยังมีอยู่นะก็คือการออกทุดดงถึงแม้ว่าท่านอยู่กุฏิอยู่วัดก็สบายแล้วนะแต่ว่าท่านก็ออกทุดดงเพื่ออะไรนะเพื่อไปเจอความยากลาบากนะเพื่อสายความรับยากลาบากนี่แหละนะ มาเปิดใจหรือฝึกใจให้เข้าถึงธรรมที่ลึกซึ้งมากขึ้นเข้าไปในป่านี้ก็มันก็เสี่ยงอันตรายนะสมัยก่อนเพราะว่ามันมีสัตว์เสือร้ายช้างงูหลวงปู่ชอบท่านเคยเล่านะหลวงปู่ชอบท่านท่านว่าท่านอยู่เมืองเลยเขาเลาว่าเคยออกทุดงสมัยยังหนุ่มนะเข้าไปในปา่าป่ามันดงดิบจริงๆ แล้ววันนึงเนี่ยปรากฏว่าท่านตังที่ชาวบ้านเตือนแล้วนะแต่ท่านก็ข ย, ยันเข้าไปแล้วก็ปรากว่าไปเจอเสือไม่ใช่แค่ตัวเดียวนะเสือสองตัวเลยอยู่ข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนะท่านหนีไปไหนไม่ได้เลยนะแล้วก็ห่างแค่วาเสร็ศษว่าเศษก็แค่สองเมตรนั่นเองใกล้ๆพอๆกับหรือใกล้กับเสาหนีกนะเสาหนี้ห่างกัประมาณสามเมตรเสือนี่มันสองตัวนะข้างหน้าข้างหลังแล้วก็ ตัวใหญ่มากถ้ามบอกว่าเนี่ยหัวของมันเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสี่สิบเซนนะก็คือฟุตกว่าแค่หัวนะตัวใหญ่มากตอนนั้นกลัวสุดขีดเลยนะกลัวสุดขีดจนแข็งทื่อเลยยืนอยู่เฉยๆเนียวิ่งไปไหนไม่ได้แล้วก็วิ่งไม่ได้ด้วยตัวแข็งทื่อเลยแต่ชั่พักได้สติขึ้นมาพอได้สติเนี่ยจิตมันก็น้อมเข้าใน จิตนี้มันไม่ส่งออกนอกนะส่งออกนอกไปนี่ไปเจอเสือก็อหวาจิตนี้ก็น้อมเข้ามาข้างในมาอยู่กับลมหายใจให้ความกลัวนี่มันบังคับมันเป็นตัวบังคับกดดันให้จิตนี้กลับมาแนบแน่นอยู่กับลมหายใจได้ดีมากเพราะว่าไม่ไม่นานจิตก็เป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิแล้วก็สงบเย็นอยู่เป็นเวลานาน ท่านไม่รู้วันนานเท่าไหร่นะแต่ว่าพอเปิดตายทีมันก็ผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วหลายชั่วโมงทีเดียวนะท่านบอกแล้วนะท่านสงบนะเป็นสมาธิเนี่ยอยู่ในท่ายืนนะสะพายบาตรนะถือสะพายบาตรถือมออ่าเรียกการน้ำแล้วก็อุปกรณ์ทุ ด, ดงเนี่ยพร้อม แต่ว่าเสือหายไปแล้วท่านก็ได้รู้แล้วโอ้โจิตของเรานี่มันสามารถจะเป็นสมาธิได้แน่วแน่มากก็เพราะ น, นิสสงของความกลัวนะครูบาอาจารย์หลายท่านท่านก็ประสบใช่มีประสบการณ์อย่างเดียวกันนะอย่างหลวงพ่อชยนะัยเจอเสือเป็นกัรในขาที่กาลังนั่งนั่งภาวนากลางค่ำกลางคืนประสบการณ์ของอปฏิกิริยาของจิตก็เหมือนกันนะ พอมันรวบมีแผนอันตรายข้างนอกแล้วหนีไม่ได้เนจิตมันเพ่งเข้าในมันกลับเข้ามามันย้อนกลับเข้ามาข้างในแนบแน่นอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทโธก็สงบได้อันนี้อันนี้ท่านก็จะเห็นนะว่าความกลัวก็มีประโยชน์ความยากลำบากก็มีคุณค่าเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราเจอความยากลำบากนี่นะก็อย่าไปอย่าไปกลัวเจอความทุกข์ก็อย่าเพิ่งไปผักใส พอเรายิ่งผลักไสายเราก็ยิ่งเป็นทุกข์มากขึ้นความทุกข์เนี่ยมันมันมีประโยชน์นะถ้าเราเห็นทุกข์นะแต่ว่ามันจะกลายเป็นตัวบั่นทอนมากถ้าเป็นทุกข์นะเป็นทุกข์กับเห็นทุกขม์มันต่างกันมากถ้าเห็นทุกข์นี่ก็จะเกิดปัญญาได้ง่ายนะที่อ นางกีสาวกตมีหรือว่านางปตัจราบรุธรรมเพราะท่านเห็นทุกข์นะแต่ว่าก่อนที่จะเห็นนี่ก็เป็นทุกข์ก่อนนะเป็นทุกข์จนเรียกว่าจะจะบ้าไอความเป็นทุกข์นี่ก็เหมือนกับว่ามันก็มีข้อดีคือมันผลักให้เข้าหาธรรมะได้ง่ายอย่างนางกีสาวกตมีนี่ถ้าถ้าไม่เสียลูกก็คงจะไม่หาพระพุทธเจ้าท่านังที่อยู่เมืองสาวัตถีนะก็อยู่ไม่ไกลจากเชตวันนะแต่ว่าก็ไม่เคย สนใจที่จะมาหาพระพุทธเจ้าจกนกระทั่งลูกตายมีคนแนะนําว่ามาหาพระุทธเจ้าเสิพระพุทเจ้าช่วยได้เธอถึงมา่คนที่เสียลูกไปอย่างที่เ่าเมื่อสักครู่นี้ก็ไม่ได้สนใจธรรมะมาก่อนแต่พอเสียลูกพระอุบัติเหตุก็พอมีคนแนะนําก็เลยเข้ามามาปฏิบัติธรรมจนพบความสุขรวมไปความสงบเย็น นั่นเวลาเจอความทุกข์เนี่ยนะก็อย่าไปต้องตั้งสติให้ดีอย่าไปปฏิเสธมันอาจะต้องต้อนรับมันได้ซ้ําเพราะว่ามันอาจจะไม่ไม่ใช่เคราะห์นะอาจจะเป็นโชคแต่คนส่วนใหญ่ก็พยายามหนีทุกข์นะหนีทุกข์ด้วยความคิดว่ามันจะหนีพ้นแต่สุดท้ายก็หนีไม่พ้นแล้วก็โดนทุกข์นะบีบคั้นให้เราต้องวางต้องมีท่าทีต่อความทุกข์ให้ดีน เชื่อนกับเวลาเกิดปัญหาเวลาเกิดปัญหานี่มีคนพูดว่าปัญหานี่ไม่ได้มีไว้กลุ่มมีปัญหามีไว้แก้หลายคนนี่พอเจอปัญหาก็กังวลแล้วกลุ่มใจปัญหาในโลกนี้มีแค่สองอย่างเท่านั้นนะคือปัญหาที่แก้ได้กับปัญหาที่แก้ไม่ได้ปัญหาไหนที่แก้ได้จะกลุ้มไปจะกังวลไปทำไมเราเคยคิดแบบนี้บ้างไหมส่วนปัญหาไหนที่แก้ไม่ได้ กองวลไปกุ้มใจไปมีประโยชน์หรือเปล่ามันก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่แก้ได้หรือปัญหาที่แก้ไม่ได้นี่ไอความกงมนนังวลนี้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะความทุกข์ก็เหมือนกันนะทุกข์นี่ไม่ได้มีไว้เป็นนะมีไว้เห็นไม่ได้มีไว้คร่ําครวญ น, นะแต่มีไว้ใคร่ครวนแต่ใหม่ๆก็ใคร่ใคร่ครวญไม่เป็นนะักมันก็คร่ําครวนก่อน แต่ความทุกข์นั้นนะมันก็จะทําให้ต้องหันกลับมามีสติสตังหรือกลับมาตั้งหลักนะแต่ตรงนี้แหละที่อยากจะรู้จักใช้ทุกข์เป็นประโยชน์ได้บางครั้งในการอยู่เฉยๆรอให้ทุกข์เข้ามาก็มันไม่พอนะจะรอให้ทุกข์เข้ามาแล้วก็เตรียมใจรับมือความทุกข์แค้นมันยังไม่พอมันต้องออกไปเจอทุกข์ด้วยต่ อ, อ, อไปเจอทุกข์เพื่อได้ฝึกปรือว่าจะรับมือความทุกข์ได้อย่างไรเมื่อเจอทุกข์ที่หนักกว่า เข้ามานะที่จัดเดินธรรมญาตราทุกปีทุกปีเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อลดนงสิ่งแวดล้อมอีกส่วนหนึ่งก็เพื่อเป็นการปฏิบัตินะคือให้ให้ผู้เดินเนี่ยได้ไปเจอความทุกข์นะความทุกข์จากอากาศร้อนนะจากความหิวจากระยะทางที่ไกลจากชุมชนผู้คนที่ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างนะ หลายคนบอกว่านี่ไปเดินทำไมนะลำบากไปหาเรื่องลำบากทำไมก็เพราะลำบากจะถึงเข้าไปหามันนะเพื่อจะได้ฝึกใจว่าเราจะรับมือความทุกข์ได้อย่างไรเราจะอยู่กับเวทนาได้อย่างไรเมื่อเจอความร้อนเจอความเหนื่อยเราจะอยู่กับมันได้อย่างไรในเมื่อหนีไม่พ้นเราจะวางใจอย่างไรกายร้อนแต่ใจไม่ร้อนกายเหนื่อยแต่ว่าใจไม่เหนื่อยนะร้อนแต่กายใจสงบเย็น เหนื่อยแต่กายใจเบิกบานอันนี้ จ, จะฝึกได้ต้องไปเจอของจริงนะแล้วก็ถ้าจะเจอของจริงก็เริ่มตัวจากของจริงเล็กๆน้อยๆก่อนนะหลายคนเนี่ยหลีกเลี่ยงความยากลาบากแต่หลีกยังไงก็หนีไม่พ้นในสุดก็ต้องเจอและบางครั้งเนี่ยความทุกข์ที่มันถาโถมเข้ามานี่มันมันเหมือนกับพายุเลยนะคือมันใหญ่มากคนที่ไม่เคยฝึกปืนรับมือความทุกข์หมนเลยเอาแต่หนีทุกข์มาตลอด พอเจอทุกแบบลมสระตันหรือพายุนี่เอาไม่อยู่ทําใจไม่ได้เสียผู้เสียคนกันมากมายค่าตัวตายก็เยอะแต่ถ้าเกิดว่าเรานะเราเป็นนักปฏิบัติธรรมนะเราไม่กลัวทุกเราก็ฝึกใจรับมือความทุกข์ความทุกข์ที่มันหามันมาหาเราก็ดีเราไม่หนีมันแต่ถ้ามันไม่มาเลยนะเราก็ต้องเข้าไปหามันบ้างแล้วเหมือนว่าจะ จะเอาลูกเสือก็ต้องเข้าถ้าเสือนะอันนี้ภาษทจีนอยากจะได้ลูกเสือต้องเข้าถ้าเสือนะอยากได้ลูกเสือไม่เข้าถ้าเสือกลัวมันก็ไม่ได้เมื่อตอนเย็นนี่ก็มีนะชายหนุ่มคนหนึ่งก็คุ้นเคยกันก็มาหามาเยี่ยมแจก็ยอมรับมันว่ายัางมีความความหลงความเพลิอเพลินในการมาสุขอยู่นะอยากกินอาหารที่อร่อยฟังเพลงเพราะ อยากใส่เสื้อผ้าสวยๆนะแวถามว่ามันผิดไหมก็ตอบว่าไม่ผิดหรอกนะถ้าหากว่าฟังเพลงก็ดีนะไปกินอาหารอร่อยอร่อยก็ดีในเวลาที่ไม่ใช่งานการนะนอกเวลางานการนะทำอย่างงั้นไม่ผิดหรอกนะแต่ว่ามันอาจจะมันอาจจะไม่ใช่นะ สิ่งที่จะให้ความสุขกับเราได้อย่างแท้จริงก็บอกเข้าไปนะว่าเนี่ยอาหารที่อร่อยเพลงที่เพราะเนี่ยนะตอนเนี้ยมันอร่อยเพลงก็เพราะมีความสุขแต่ถึงวันหนึ่งพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งเนี่ยถึงตอนนั้นเนี่ยกินอาหารหรูอาหารเหลาแค่ไหนก็ไม่อร่อยแล้วฟังเพลงยังไงก็ไม่เพราะแล้วเพราะว่าใจเนี่ยมันไม่ไปละใจมันหดหู่มันเศร้ามันกลัว เสนะื้อผ้าที่เสื้อผ้าที่สวยนะก็ไม่ได้ช่วยทําให้หายทุกจากความเจ็บป่วยพอเป็นมะเล็งได้ถึงตอนนั้นถึงจะรู้ว่าไอ้กามาสุขที่เสพที่ลหลงใหลเนี่ยมันมีข้อจํากัดนะก็เหมือนกับผู้หญิงที่เป็นหมอแล้วก็กลายเป็นนักธุรกิจแล้วก็ร่ำรวยจากธุรกิจนะตอนที่มีความสุขดูเพลสมันก็สวยดี มีความสุขอิ่มเอิบใจแต่พ อ, อสามีทิ้งนะเพชรนี่มันไม่ช่วยแล้วไม่ช่วยทําให้มีความสุขละมันมีค่าเสมอกับหินหรือกรวดธรรมดาต้นเองคนเราเนี่ยพอเจอทุกข์ที่เป็นของจริงนะเช่นความสูญเสีอหรือความเจ็บป่วยเนี่ยถึงจะรู้ว่าไอ้ทรัพย์สมบัติหรือว่าการมาสุขที่หลงไหลเนี่ยที่ให้เพลิดเพลินเนี่ยมันช่วยอะไรไม่ได้นะ นอกจากช่วยไม่ได้แล้วนะบางทีตัวมันเองอทำให้เป็นทุกข์นะเช่นเพิดเพลินในรถ ด, ดีใจที่มีความสุขกันการขับรถซื้อรถราคาแพงๆแต่แล้ววันหนึ่งรถถูกขมโมยไปหรือว่ารถนะมันเกิดถูกยึดไปเนี่ยไอความดีใจความสุขมันกลายเป็นความทุกข์ความเสียใจไปเลยนะ ยิ่งยิ่งเพลินยิ่งมีความสุขกับรถเท่าไหร่ก็ยิ่งเสียใจยามที่สูญเสียมันไปเ ข, เ, ขเขาบอกว่าเนี่ยดูบอลก็มีความสุขนะนะก็บอกเขาว่าเนี่ยมันสุขนะถ้าเกิดว่าทีมที่เราเชียร์นี่มันชนะแต่ถ้าทีมที่เราเชียร์มันแพ้นเนี่ยถามว่ายังสุขอยู่ไหมนะพวกที่บ้าบอลที่ดูบอลโลกเขาที่แล้วเนี่ยหลายคนนะ หลายสิบล้านเชียร์บราซิลเสร็จแล้วก็เศร้าโดนถลุงไป 7-1 1ประตูตัด7ชาวอาร์เจนตินาหลายคนก็ร้องไห้นะเมื่อทีมของตัวเองแพ้ในนัดชิงชนะเลิศมันไม่ใช่ว่ามันจะให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดนะมันก็เจอไปด้วยทุกเหมือนกันอะไรที่ให้ความสุขกับเราสิ่งนั้นก็สามารถจะทำให้เราทุกได้ อันนี้ผู้เจ้าตอบได้นานแล้วนะสามัยหนึ่งอะ่ะเคยมีการสนทนากันระหว่างเทวดากับพระพุทธเจ้าเทวดาบอกว่ามีบุตรก็สุขพระบุตรมีโคก็สุขพระโคผู้เจ้าก็ตอบว่ามีบุตนะรก็ทุกข์พระบุตรนะมีโคก็ทุกข์พระโคคือสิ่งที่ให้ความสุขกับเราเนี่ยมันสามารถจะพลิกตลับปัดกลายเป็นให้ความทุกข์กับเราได้ภูมิใจในหน้าตาของตัวเสร็จแล้วก็เสียใจ กลุใจเพราะหน้าตาของตัวเหมือนกันเวลามันแก่มันชราเวลามันเสื่อมไปอันนี้แหละคือข้อจํากัดหรือว่าโทษนะของความสุขทางการถ้ายังไม่เจอของจริงนะก็ยังหลงไหลเพลิดเพลินกับมันแต่ว่าพอเจอของจริงนะชเช่นเป็นมะเร็งหรือสูญเสียคนรักถึงจะรู้ว่าหนึ่งมันมีข้อจํากัดมันไม่สามารถจะทําให้สุขได้แท้จริงสองตัวมันเองนั่นแหละที่ทําให้เป็นทุกข์ ทำให้เป็นทุกข์ได้ถ้าไปหลงติดหลงไหลมันถึงตรงนี้แหละถึงค่อยสแสวงค่อยอยากจะสแสวงหาความสุขที่ประณีตความสุขที่ไม่อิงวัตถุสิ่งที่ไม่ใช่กามาสุขนะถึงแม้ว่าจะรู้นะจะมีจะรู้ด้วยเห ต, ตุผลใจตองด้วยเหตุผลว่ากามาสุขนะมันมันไม่ดีมีโทษนะแต่ถ้าไม่เจอของจริงนะมันก็ยังหลงไหลยอยู่พอเจอของจริงเข้าก็จะรู้ว่าอันนี้ไม่ใช่ทางออกแนละไม่ใช่คําตอบ มันต้องหาสิ่งที่ดีกว่านะั้นคือความสุขที่ประเนตหรือความสุขจากใจที่สงบซึ่งสติสำคัญมากคำนี้ก็พูดกันเท่านี้น ะ, ะกราบพระ